มีอาชีพหนึ่งนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่ามันมีอาชีพนี้อยู่ในโลกนะแต่ว่าก็มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะอาชีพที่ว่านี้คืออาชีพจัดระเบียบบ้านนะจัดระเบียบบ้านคือว่าจัดข้าของในบ้านให้เป็นระเบียบทําให้บรรยากาศในบ้านนี่นะโปร่งโล่งนะสะอาดหมดจด แล้วก็สวยงามด้วยเช่นมีดอกไม้มาประดับที่ว่าอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ปล่อยบ้านให้สกปกเลอะเทอะเกลื่อนกลาดด้วยเข้าของคนที่ว่านี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพศประเภทวัยรุ่นนะใช้ชีวิตแบบไม่มีระเบียบนะอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะแต่ ที่กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือคนป่วยนะก็เรียกผู้ป่วยจิตเวทนะเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ น, นะาอาการมากๆนี่ก็จะปล่อยบ้านเนี่ยให้สกรปรกเลอะเทอะข้าวของเกลื่อนกราดลหลายคนเนี่ยนะแม้กระทั่งห้องนอนนี่ก็เลอะเทอะมาก ดยเพพาะบริเวณเตียงหรือรอบเตียงหรือบางทีใต้เตียงด้วยเพราะพอซึมเศร้าหนักๆ น, นี้ก็ไม่ไปไหนอ่ะอยู่บนเตียงนะกินนอนก็ บ, บนเตียงนะแล้วก็ทิ้งข้าวของให้เกลื่อนกลาบคนที่ป่วยแบบนี้นี่เขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทำอะไรเลยนะแม้กระทั่งอาบน้ำ อย่าว่าแต่เก็บข้าวของเลยแล้วพอเป็นเป็นมากๆเข้าหนักๆเข้านี่บ้านก็เลอะเทอะยิ่งอยู่จิตใจก็ยิ่งหมุนหมองที่แย่แล้วก็แย่หนักเข้าไปใหญ่ก็เลยมีอาชีพนี่นะนักจัดระเบียบบ้านเพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยประเภทนี้ ผู้ป่วยเหล่านี้นี่เขาก็รู้นะาบ้านมันเละเอะเทอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยไม่มีเรื่องไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะบางทีก็รู้สึกอับอายและอย่างที่เรารู้นะตอนนี้คนก็อยู่กันคน2คนนะไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สภาพที่เรียกว่าสกปกเล้ะเธอหรือซกมงเนี่ยมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นแต่คนนี้พอมีอาชีพนี้ขึ้นมานี่นะโอ้มันช่วยได้เยอะเลยนะและคนที่เริ่มมีอาชีพนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่าสนใจนะก็อบอกว่ามีความสุขการจัดบ้านนะแล้วก็ยิ่งรู้ว่าเนี่ยมันมีคน จำนวนไม่น้อยเลยนะที่ต้องการความช่วยเลยแบบนี้ก็เลยหันมาทําอาชีพนี้ซะเลยนะซึ่งก็ไม่ได้ทําเพื่อเงินอย่างเดียวนะแต่ทําเพราะว่าอยากจะช่วยผู้ป่วยประเภทนี้ด้วยแล้วคนที่ทําอาชีพนี้เนี่ยนะที่เรื่องอาชีพนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ย มันก็ยากนะเจอสภาพบ้านเนี่ยบางทีก็เครียดเลยพอเข้าของเลอะเทอะเนี่ยตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามห้องครัวไม่มีที่ไหนที่ดูได้เลยนะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วนี่เหนื่อยนะใช้เวลาวันสองวันทำกับเพื่อนๆกว่าจะเสร็จนี่ก็เหนื่อยแต่ว่าพอเห็นเจ้าของบ้านเขามีรอยยิ้มก็ก็พอมีความสุขด้วย เรื่องที่บอกนะเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินนะคนที่มีอาชีพเนี่ยคนที่เริ่มอาชีพเนี่ยชื่ออิ่มเนี่ยเขาบอกไม่ได้ทําเพื่อเงินอย่างเดียวนะแต่ทําเพื่อช่วยเหลือผู้คนแล้วก็คิดว่าการจัดระเบียบบ้านนี่มันสําคัญนะเพราะว่ามันสามารถจะดึงพลังบวกของคนออกมาได้ผู้เปิดจิตเวทเนี่ยใจเขานี่มีแต่พลังลบนะมลมองกดฮูถ้าได้มาเห็นบ้าน หรือที่อาศัยของตัวเองเนี่ยมันสะอาดสะอ้านโปร่งโล่งเนี่ยก็จะรู้สึกจิตใจพอเริ่มจิตใจก็จะโปร่งโล่งไปด้วยพอจิตใจโปร่งโล่งแล้วเนี่ยความคิดอะไรมันก็คิดไปในทางบวกได้หรือว่าคิดแก้ปัญหานําพาชีวิตให้ออกจากความทุกข์เนี่ยมันก็มีโอกาสได้ง่ายอันนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบความคิดนะพอจัดระเบียบบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันก็ ได้รับการจัดระเบียบ ด, ด้วยมันก็จะคิดไปในทางบวกมากขึ้นคิดไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นแล้วเขาเพบว่าเนี่ยบ้านที่สะอาดสะอานโปรงโล่งนี่มันก็ทาให้คนเนี่ยมีความหวังและพอมีความหวังมีความรู้สึกที่โปรงโล่งเบาสบายความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วย ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในงานนี้เนี่ยจึงเป็นงานที่สําคัญเพราะว่าเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่มีใครที่จะมาอาสาทํางานประเภทนี้มากเท่าไหร่อย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้คนป่วยจิ ต, ตเวทเนี่ย หรือว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้านี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำอะไรไอ้บ้านที่เลอะเทอะเกลื่อนกลาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความรู้สึกในใจนะว่าในใจก็ยุ่งเหงื่งสับสนแต่พอบ้านถูกจัดให้สะอาดมันก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยพลอยโป่่งโล่งเบาสบายเนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราจัดดอกไม้นะชแรกเราจัดดอกไม้ พอดอกไม้สวยแจกันงามนะมันก็ช่วยจัดใจเราด้วยใจที่หม่นหมองใจที่สับสนก็ทำให้บ้านเลอะเทอะแต่พอมีคนมาจัดบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบโปรงโล่งเนะี่ยก็ช่วยทำให้ใจนี่นะโปร่งโลงเบาสบายด้วยมันก็มีโอกาสที่จะออกจากทุกข์ของตัวเองได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่ดยจิตเวชเดียวนะคนที่สูญเสียคนรักนะ บางทีก็ไม่มีเรี้ยวแรงจะทำอะไรปล่อยบ้านเลอะเทอะถ้ามีไม่ต้องมีอาชีพอะไรนะไม่จำเป็นต้องมีนักจัดระเบียบบ้านถ้ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาช่วยจัดขวของจัดบ้านให้มันก็ช่วยเขาได้เยอะเย่ยอันนี้ก็เป็นแนวโน้มใหม่นะที่น่าสนใจนะแล้วก็ควรจะมีคนอาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะ